โพธิจิตนั้นมีสองในคือโพธิจิตสัมพันธ์สมมุติในและโพธิจิตอันยิ่งปรมัตทไนโพธิจิตสัมพันธ์โพธิจิตสัมพันธ์นั้นคือการเพราะบ่มความคิด ที่จะมุ่งไปสู่ความรู้แจ้งหลุดพ้นอันสูงสุดพุทธภาวะเพื่อจะยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์อันเกิดหลังจากการตั้งสัตปฏิยานซึ่งออกมาจากความเมตตาการุณาที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุก์โพธิจิตสัมพันน์นั้นเราจะเพาะบ่งด้วยกระบวนการเดียวกับการพัฒนาทางด้านศีล และคุณธรรมของโพธิสัตว์ภูมิซึ่งเราจะเสริมสร้างจิตเช่นนี้ด้วยการตั้งสัตป์ปฏิยานที่จะเป็นโพธิสัตว์ต่อหน้าครูบาอาจารย์ผู้ดำรงตนอยู่ในศีลของโพธิสัตว์หลังจากเสริมสร้างจิตที่ตื่นรู้แห่งโพธิจิตสัมพันธ์แล้วก็ให้พัฒนาตนต่อไปเพื่อเพาะบ่มจิต ที่ตื่นรู้แห่งโพธิจิตอันยิ่งโพธิจิตอันยิ่งโพธิจิตอันยิ่งคือโลกุตรจิตที่นอกเหนือและอิสระจากการปรุงแต่งทั้งปวงเป็นนายแห่งปรมตัตด เป็นความกระจางแจ้งอย่างยิ่งอันปราศจากสิ่งมัวหมองและไร้การหวั่นไหวเฉกเช่นตะเกียงน้ำมันที่ไม่ถูกลมรบกวนซึ่งการบรรลุสู่จิตเช่นนี้ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานทั้งทางด้านสมถะและวิปัสสนาภาวนา พระสูตรกล่าวว่าโอ้มตริยะเธอควรรู้ว่ากุศลธรรมทั้งหลายของพระสาวกพระโพธิสัตว์หรือพระตถาคตไม่ว่าจะเป็นโลกิยะหรือโลกุตระก็ตามล้วนเป็นผลมาจากสมถะและวิปัสสนาภาวนาทั้งสิ้นดังนั้นสมาธิทั้งหลายย่อมรวมอยู่ด้วยสองสิ่งนี้ นักปฏิบัติทั้งหลายจึงควรจะภาคเพียรปฏิบัติให้มากทางด้านส ม, มถะและวิปัสสนาพระสูตรยังกล่าวไว้อีกว่าพระพุทธองค์ยังทรงกล่าวว่าพวกเธอจงรู้เถิดว่าคำสอนอันหลากหลายเกี่ยวกับสมาธิที่สแสวงหาโดยพระสาวกพระโพธิสัตว์หรือพระตถาคตก็ตามนั้น ล้วนประกอบไปด้วยสมถะและวิปัสสนาภาวนาทั้งสิ้นสมถะวิปัสสนานักปฏิบัติไม่สามารถจะขจัดกิเลสเครื่องมัวมองทั้งหลายให้หมดไปได้ด้วยสมถะภาวนาเพียงอย่างเดียว มันเป็นเพียงการกดทับอารมณ์นั้นๆไว้ชั่วคราวเท่านั้นหากปราศจากแสงแห่งปัญญาแล้วล่ะก็พลังอันซ่อนเร้นของอนุสัยอาสวะกิเลสย่อมไม่สามารถจะถูกกำจัดออกไปได้พระสูตรกล่าวว่ากิเลสจะถูกกดทับไว้ไม่ให้รบกวนด้วยพลังแห่งสมถ ภ, ภาวนาและด้วยปัญญา จึงสามารถตัดขาดทำลายรากเง่าแห่งอนุสัยอาสวะให้หมดไปได้อริยะสมาธิราชาสูตรได้กล่าวไว้เช่นกันว่าแม้ว่าเธอจะเจริญสมถะภาวนาจนจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเธอก็ยังไม่สามารถจะทำลายอัตตาทิฐิของเธอได้และกิเลส ก็ยังคงสามารถรบกวนเธอได้อยู่เช่นเดิมเหมือนดังสมาธิของพราหมณ์อุตรรามบุตรต่อเมื่อเธอเฝ้าสังเกตธรรมชาติแห่งความไร้ซึ่งตัวตนของสรรพสิ่งและพิจารณาจนเห็นแจ้งชัดในสัจธรรมความจริงนั้นนี่จึงเป็นเหตุแห่งความรู้แจ้งหลุดพ้นซึ่งไม่มีเหตุอื่นอีกแล้ว ที่จะนำความสงบสุขอย่างแท้จริงมาสู่เธอได้โพธิสัตว์วาปิดกก็กล่าวไว้เช่นกันว่าผู้ที่ไม่เคยได้ฟังคำสอนในโพธิสัตว์วาปิดและละเลยในการรักษาพระวินัยหลงคิดว่าการปฏิบัติสมถะให้สูงสุดอย่างเดียวนั้นเป็นสิ่งเพียงพอ ย่อมตกลงไปสู่กับดักแห่งอัตตาตัวตนอันเนื่องมาจากความหลงทนงตนซึ่งเขาย่อมไม่อาจพ้นไปจากการเกิดแก่เจ็บตายทุกโศกร่ำไรรำพันและความหงุดหงิดขัดเคืองรวมทั้งย่อมไม่สามารถจะหลุดพ้นไปจากสังสารวัตรและกองทุกแห่งขันทั้งห้านี้ได้เลย จงจดจำไว้ให้ดีว่าพระพุทธองค์เองท่านก็ส่งกล่าวว่าผู้ที่รู้จักฟังคำสอนอันเป็นประโยชน์จากผู้รู้ทั้งหลายย่อมมีโอกาสพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุถึงซึ่งโลกุตระปัญญาอันบริสุทธ ภายหลังจากขจัดเสียซึ่งนิวรณ์อันเป็นสิ่งรบกวนทั้งหลายเขาควรเจริญวิปัสสนาภาวนาบนรากฐานแห่งความสงบตั้งมั่นของสมถะอริยรัตนะกุตาสูตรกล่าวว่าเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานย่อมเกื้อนหนุนให้เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิ ย่อมเป็นรากฐานแห่งปัญญาเมื่อมีปัญญาย่อมช่วยให้เธอบรรลุสู่ความตื่นรู้ดั้งเดิมตามธรรมชาติและด้วยความตื่นรู้ดั้งเดิมนี้ศีลของเธอก็จะสมบูรณ์มหายาณสูตรกล่าวว่าโอ้กุลบุตรแห่งตระกูลพระอริยะทั้งหลาย หากเธอไม่ดำรงอยู่ด้วยปัญญาแล้วฉันไม่สามารถจะบอกว่าเธอจะศรัทธาในทางอันยิ่งใหญ่แห่งโพธิสัตว์ได้อย่างไรหรือเธอจะดำเนินไปบนทางทางนี้ได้อย่างไรโอ้คุณบุตรเธอควรจะรู้ไว้เถิดว่าการที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายศรัทธาในทางมหายาน และสามารถดำเนินไปบนทางทางนี้นั้นนั่นเป็นผลจากการพิจารณาอย่างแยบคายในธรรมอันยิ่งด้วยจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวสมถะและวิปัสสนาสมดุลกัน จิตของนักปฏิบัติย่อมหวั่นไหวไปกับความคิดอันมากมายหากเขาเพียรพัฒนาแต่ปัญญาโดยไม่สร้างความสงบตั้งมั่นให้แก่จิตมันย่อมกวัดแกว่งเช่นเดียวกับตะเกียงเนยที่ถูกลมเพื่อให้บังเกิดความใสกระจ่างของความตื่นรู้เธอจงพัฒนาทั้งความตั้งมั่นและปัญญาให้เสมอกัน ในมหาปรินิพานสูตรกล่าวว่าบรรดาพระสาวกทั้งหลายไม่อาจแจ้งชัดในพุทธภาวะได้ก็เพราะสมถะมากเกินไปแต่ปัญญาน้อยส่วนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายสามารถเห็นในสิ่งนี้ได้แต่ยังไม่แจ้งชัดก็เพราะปัญญามากเกินไปแต่สมถะน้อย ในขณะที่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายสามารถเห็นแจ้งชัดในสิ่งนี้ได้ก็เพราะพวกท่านเหล่านั้นมีสมถะและปัญญาที่เสมอกันเนื่องด้วยพลังแห่งสมถะภาวนาจิตยอมไม่หวั่นไหวไปกับกระแสลมแห่งความคิดปรงแต่งเช่นเดียวกับตะเกียงเนยที่ไม่ถูกรบกวนด้วยลม ส่วนปัญญาจะช่วยขจัดความมัวมองทั้งหลายแห่งมิจฉาทิฐิเมื่อเป็นเช่นนั้นความเห็นผิดทั้งหลายของผู้อื่นจึงไม่อาจมีผลกับเธออริยะจันทระประทีปสูตรกล่าวว่าด้วยพลังแห่งสมถะเธอย่อมมั่นคงไม่วันไหว และด้วยพลังแห่งวิปัสสนาปัญญาเธอย่อมเป็นดังเช่นขุนเขาดังนั้นจงภาคเพียรปฏิบัติทั้งสองให้สมดุลสิ่งเกื้อหนุนต่อสมถภาวนาในเบื้องต้น นักปฏิบัติจำต้องหาสิ่งที่จะเกื้อหนุนในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาให้เป็นไปได้โดยง่ายและรวดเร็วซึ่งสิ่งที่จะเกื้อหนุนต่อสมถะภาวนาก็คืออาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สปายะมีความอยากอันน้อยและดำรงอยู่ด้วยความสันโดษพอเพียงไม่หาภาระใส่ตนรักษาศีลให้บริสุทธ ขจัดความยึดติดและความเห็นผิดทั้งหลายสภาพแวดล้อมที่สัปายะประกอบด้วยลักษณะ5้าอย่างคืออาหารและเสื้อผ้าไม่ขัดสนปราศจากศัตรูและพูดผีปีศาจที่มารบกวนปราศจากโรคภัยมีกาลยานมิตรผู้อยู่ในศีลวินยัย และมีทิฐิที่เข้ากันได้มีคนมารบกวนน้อยในยามกลางวันและเงียบสงบในยามกลางคืนมีความอยากอันน้อยหมายถึงการไม่ยึดติดในเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่สวยหรือมากเกินความจำเป็นอยู่อย่างสันโดษหมายถึง การพึงพอใจในสิ่งเล็กน้อยที่ตนมีไม่หาภาระใส่ตนหมายถึงการเลิกวุ่นวายกับกิจการทางโลกโลกทั้งหลายที่ตนเคยกระทาหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่นหรือนักปฏิบัติด้วยกันและไม่ประกอบเดรชาวิชาเช่นดูดวงทำนายทายทักรักษาโรค รักษาศีลให้บริสุทธิ์หมายถึงการรักษาศีลวินัยที่ตนได้สมาทานไม่ให้บกพร่องผิดเพี้ยนและไม่ตั้งใจกระทําในสิ่งที่ขัดแยง้งและหากมีความบกพร่องเพราะการละเลยไม่ใส่ใจเธอต้องสำนึกผิดจากใจจริงเพื่อการแก้ไขตนด้วยความตั้งใจจริงและใส่ใจที่จะไม่กระทํามันอีก การรักษาศีลจึงจะบริสุทธิ์อยู่ได้สำหรับภิกษุหากละเมิดอาบัติปาราชิกต้องพ้นสภาพความเป็นภิกษุเท่านั้นไม่อาจปรงอาบัติได้และเมื่อละเลิกการกระทาอันผิดพลาดนั้นได้เธอจึงควรทุ่มเทในการปฏิบัติภาวนาให้มากยิ่งขึ้น ขจัดความยึดติดและความเห็นผิดทั้งหลายการมีสติระลึกรู้เท่าทันถึงข้อเสียในการหลงยึดติดในชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้าจะช่วยขจัดความเห็นที่ผิดในเรื่องนี้ออกไปสิ่งสวยงามและไม่สวยงามในโลกนั้นมันล้วนไม่เที่ยงแท้และย่อมเสื่อมสลายไปในที่สุด เธอจึงควรปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เสียโดยไม่ต้องลังเลใจจงหมั่นพิจารณาให้มากเพื่อให้เห็นแจ้งชัดว่าเพราะเหตุใดเราจึงยังหลงยึดติดในสิ่งเหล่านี้เพื่อขจัดความเห็นที่ผิดทั้งหลายให้หมดไป สิ่งเกื้อหนุนต่อวิปัสสนาภาวนาสิ่งเกื้อหนุนของวิปัสสนาภาวนาคือการได้พบครูรู้ผู้ประเสริฐความเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้พหูสูมีโยนิโสมนสิการครูรุผู้ประเสริฐหมายถึงผู้ที่ศึกษามามาก ผู้ที่สามารถอธิบายได้อย่างแจ้งชัดผู้ที่มีความเมตตากรุณาและมีคันติธรรมสูงความเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้หมายถึงผู้ที่ขยันตั้งใจศึกษาหาความรู้ด้วยความเคารพในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสูตรกล่าวว่า การไม่ใส่ใจขวนขวายศึกษารับฟังในคำสอนอันสูงสุดอันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากนั้นเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อวิปัสสนาวิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากการมีความเห็นที่ถูกต้องซึ่งเกิดจากการฟังและนำไปคิดพิจารณาการฟังจึงเป็นเหตุต้น ทำให้เกิดปัญญาและเมื่อเธอมีปัญญาเธอย่อมสามารถทำให้กิเลสสงบลงได้โยนิโสมนสิการหมายถึงความสามารถในการทำความเข้าใจในความหมายของคำสอนและทำต่างๆได้อย่างแยบคายเมื่อโพธิศัสตว์ปราศจากความสงสัยลังเล เขาย่อมสามารถภาวนาได้อย่างแน่วแน่และตั้งมั่นมิฉะนั้นหากยังสับสนลังเลในธรรมเขาย่อมเป็นเหมือนบุคคลที่ยืนสับสนอยู่กลางสี่แยกโดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนักปฏิบัติควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ควรบริโภคอาหารแต่พอประมาณ และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกายเข้าสู่การภาวนาเมื่อโพธิสัตว์มีความพร้อมในเหตุปัจจัยที่เป็นสิ่งเกื้อหนุนทั้งต่อสมถะและวิปัสสนาภาวนา ก็สมควรที่จะเข้าสู่การภาวนาต่อไปโดยก่อนอื่นเธอควรวางกิจธุระทั้งหลายของเธอเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยและเลือกสถานที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนน้อมจิตแห่งมหากรุณาด้วยการตั้งจิตนึกอยู่ภายในว่าเราจะภาคเพียรภาวนา เพื่อการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุก์ทั้งปวงทําการสการะบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายและบรรดาเหล่าพระโพธิสัตว์ในทิศทั้งสิบด้วยการกราบเบญจังคประดิษฐ์วางพระพุทธรูปหรือสิ่งแทนพระพุทธองค์อื่นๆไว้เบื้องหน้าหรือบริเวณใกล้เคียง ทำการกราบและกล่าวคำสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยให้มากครั้งที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ทำการสำนึกผิดในบาปกรรมหรือการกระทาที่ผิดพลาดที่ตนได้กระทามาในวันนั้นเพื่อการแก้ไขและตั้งใจที่จะไม่กระทาอีกน้อมมุติตาจิตคือความรู้สึกยินดี ต่อคุณความดีของสรรพสัตว์ทั้งหลายการนั่งเธอควรนั่งบนหมอนที่นุ่มในท่าขัดสมาธิเพชร full lotus หรือกึ่งสมาธิเพชร half lotus ตาไม่ควรเปิดกว้างเกินไปหรือหลับตาปีแต่ให้มองลงบริเวณปลายจมูกนั่งกายตรงไม่เอ็งเอียงไปทางซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังให้ดำรงจิตมั่นและใส่ใจเข้ามาดูตนเองไม่ต้องยกไหล่ให้ผ่อนคลายตามธรรมชาติของมันแต่อย่าปล่อยให้เอียง จมูกอยู่ในแนวเดียวกับสะดือฟันและริมฝีปากอยู่ตามธรรมชาติของมันโดยลิ้นแตะที่เพดานบนหายใจด้วยความนุ่มนวลโดยไม่มีเสียงโดยปราศจากการบีบคั้นและให้เป็นไปด้วยความราบเรียบสม่ำเสมอหายใจเข้าและออกตามธรรมชาติช้าๆสบายๆ เบื้องต้นต้องภาวนาให้จิตสงบตั้งมั่นเสียก่อนซึ่งหมายถึงจิตที่ไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์และความคิดมีความตั้งมั่นในการตามรู้อารมณ์กรรมฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องด้วยความสงบระ ง, งับและเบาสบาย การปฏิบัติสมถวิปัสนาการพิจารณาธรรมชาติอันแท้จริงของสิ่งทั้งหลายบนรากฐานของจิตที่สงบตั้งมั่นนั้นเรียกว่าวิปัสนาภาวนาพระสูตรกล่าวว่าสมถภาวนาคือจิตที่สงบตั้งมั่นอยู่บนอารมณ์เดียววิปัสนา คือการพิจารณาธรรมชาติอันแท้จริงของสรร พ, พสิ่งในอริยสันตินิรมโอจันสูตรได้กล่าวว่าท่านไมตรียะทรงทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระพุทธองค์บุคคลจะปฏิบัติสมถภาวนาและเชี่ยวชาญในวิปัสสนาได้ด้วยวิธีการอย่างไร พระพุทธองค์ทรงตอบว่าไมตรยะเรามักจะสอนโพธิสัตว์ทั้งหลายดังนี้ว่าไม่ว่าคำสอนใดๆที่เราได้กล่าวไว้ดีแล้วเช่นในพระสูตรพระคาถาพระพุทธอุทานอุปเทศและอื่นๆโพธิสัตว์ควรตั้งใจฟังคำสอนเหล่านั้นให้ดี จดจำเนื้อหาให้ได้ฝึกท่องบนจนขึ้นใจและนำไปไคร่ครวนพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจพวกเธอควรอาศัยสถานที่ที่วิเวกเพื่อการบำเพ็ญภาวนาควรกำหนดจิตให้ตั้งมั่นอยู่บนธรรมนั้นอย่างต่อเนื่องเมื่อกำหนดจิตอยู่เช่นนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในที่สุดกายและจิตจะบังเกิดความสงบระงับนั่นเรียกว่าส ม, มถะต่อไปเมื่อโพธิสัตว์มีกายและจิตที่สงบระงับดีแล้วและสามารถคงตั้งมั่นอยู่ได้เช่นนั้นนั่นเขาได้ขจัดอารมณ์อันเป็นเครื่องรบกวนทั้งหลายออกไปได้ ธรรมที่ได้ใช้ในการกำหนดจิตจนตั้งมั่นและปรากฏการที่เกิดขึ้นควรถูกนำมาใช้เป็นวัตถุแห่งการพิจารณาปัญญาให้สังเกตเรียนรู้ตามที่มันเป็นอยู่จริงด้วยความแยบคายเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ้งชัดจงปฏิบัติ ด, ด้วยความอดทน และมีปีติสุขเป็นฐานรองรับด้วยการพินิจพิจารณาอย่างแยบคายการเฝ้าสังเกตและการแจ้งประจักษ์เข้าใจชัดในมันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาโพธิสัตว์ทั้งหลายควรจะปฏิบัติให้เชี่ยวชาญในวิธีการเช่นนี้เถิด เริ่มต้นที่สมถะโยคีผู้ใส่ใจที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมถะนั้นในเบื้องต้นควรจดจ่อตั้งใจให้แน่วแน่ในความจริงที่ว่าคำเพีร์ทั้งสิบสองชนิดนั้นไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระคาถาพระอุทานพระวจนะและอื่นๆทั้งหมดล้วนสรุปลงที่ ความเป็นเช่นนั้นเองล้วนชี้ให้เห็นซึ่งความเป็นเช่นนั้นเองและล้วนได้กล่าวถึงความเป็นเช่นนั้นเองทั้งสิ้นซึ่งวิธีการที่จะกระทําเช่นนี้ก็คือการกาหนดลงไปที่ขันทั้งห้าอันหมายรวมถึงปรากฏการ์ทั้งปวงเป็นอารมณ์หรืออาจใช้การกาหนดที่รูปสมมุติของพระพุทธเจ้า ในอริยะสมาธิราชาสูตรกล่าวว่าด้วยกายสีทองของท่านพระโลกนาถช่างงดงามยิ่งนักโพ ธ, ธิสัตว์ผู้ตั้งจิตลงบนอารมณ์กรรมฐานนี้ได้อย่างแนบแน่นคือผู้ที่อยู่ในสมาธิฌานเมื่อเธอเลือกอารมณ์กรรมฐานแล้วให้เธอตั้งใจกําหนดจิตลงบนอารมณ์นั้นให้แน่วแน่ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องและหมั่นสำรวจตรวจสอบดูว่าจิตกำหนดจดจ่อกับอารมณ์ได้แน่วแน่ดีหรือไม่จิตทื่อทึบหรือวอกแวกไปตามอารมณ์อื่นหรือไม่หากพบว่าจิตมีอาการทื่อทึบงอกง่วงหรือรู้สึกว่ากำลังจะทื่อทึบเช่นนั้น ก็ให้กำหนดไปที่อารมณ์ที่สดใสสุขสว่างขึ้นเช่นรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าหรือภาพแสงสว่างซึ่งเธอควรทำเช่นนี้จ น, จนจิตตื่นขึ้นจากความทื่อทึบและสามารถเห็นรูปสมมุตินั้นได้อย่างชัดแจ้งเธอควรจะฝึกสังเกตเรียนรู้ให้เท่าทันเมื่อความทื่อทึบกำลังเริ่มจะเกิดขึ้น เช่นจิตไม่สามารถเห็นภาพวัตถุที่กำหนดนั้นได้ชัดเจนหรือเธอรู้สึกเหมือนเธอตาบอดหรืออยู่ในที่มืดหรือเหมือนคนหลับตาเพื่อที่จะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนให้ทันหากในขณะที่เธอกำลังภาวนาอยู่นั้นจิตของเธอบ่ายเบนไปสนใจกับสิ่งอื่นภายนอกเช่น รูปหรือเสียงหรือสิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือหากเธอรู้สึกว่าความกวัดแก่งของจิตกำลังเกิดขึ้นให้เธอพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารปรุงแต่งทั้งหลายหรือพิจารณาถึงความทุกข์และอื่นๆที่จะทำให้จิตสงบไม่วอกแวกในกระบวนการทั้งหมดนี้ จะช่วยขจัดความกวัดแกว่งวันไว้ของจิตและด้วยเชือกคือสติสัมปชัญญะและความตื่นตัวช้างคือจิตที่จะถูกล่ามไว้กับต้นไม้คือวัตถุแห่งอารมณ์กรรมฐานเมื่อเธอรู้สึกว่าจิตปราศจากความทื่อทึบและความฟุ้งซ่านวันไหวแล้ว และมันสามารถคงรู้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นอย่างเป็นธรรมชาติเธอควรผ่อนคลายความพยายามลงและคงอยู่อย่างนั้นให้นานที่สุดเท่าที่มันสามารถคงความสงบตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อนักปฏิบัติสามารถคงอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่ตนกาหนดได้นานเท่าที่ตนต้องการ ด้วยกายและใจที่สงบระงับนั่นเขาได้รู้ถึงซึ่งความสงบตั้งมั่นของจิตสมถะที่ควรค่าแก่งานต่อไปเข้าสู่วิปัสสนาเมื่อจิตมีความสงบตั้งมั่นได้เพียงพอแล้ว ให้เธอดำเนินวิปัสนาต่อไปเธอควรตระหนักว่าคำสอนทั้งหมดของพระพุทธองค์ล้วนเป็นคำสอนที่สมบูรณ์เป็นวาจาสุภาษิตและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นหรือชี้ตรงไปสู่ความจริงของธรรมชาติทั้งปวงได้อย่างแจ้งชัดเมื่อเราสามารถเข้าใจความจริงแท้ของธรรมชาติ เราจะเป็นอิสระจากร่างแห้แห่งความเห็นผิดทั้งปวงเช่นเดียวกับความมืดที่ย่อมหมดไปอย่าเมื่อแสงสว่างปรากฏขึ้นแค่เพียงสมถภาวนาอย่างเดียวไม่สามารถจะทำให้ความตื่นรู้ดั้งเดิมตามธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์หรือช่วยขจัดความมืดมิดจากการปิดบังของสิ่งมัวหมองทั้งหลายออกไปได้ ต่อเมื่อเราภาวนาอย่างถูกต้องถึงความจริงแท้ของธรรมชาติทั้งปวงด้วยปัญญาความตื่นรู้เดิมแท้จึงจะถูกชำระให้บริสุทธิ์มีเพียงปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถแจ้งถึงสัจธรรมความจริงของธรรมชาติได้มีเพียงปัญญาเท่านั้น ที่จะทำให้เราสามารถขจัดสิ่มัวหมองทั้งหลายออกไปได้หมดสิ้นดังนั้นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นดีแล้วเธอควรจะพิจารณาให้เห็นถึงความจริงแท้ของสรรพสิ่งไม่ใช่จะพึงพอใจอยู่แค่เพียงความสงบนี้เท่านั้นความจริงแท้ของธรรมชาติทั้งปวงนั้นเป็นอย่างไร มันคือธรรมชาติอันแท้จริงของธรรมปรากฏการทั้งหลายซึ่งโดยปรมัติ์แล้วธรรมทั้งหลายล้วนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนบุคคลหรือแม้ความเป็นตัวตนแห่งธรรมนั้นเองซึ่งบุคคลจะสามารถแจ้งชัดในสัจจะความจริงนี้ได้ด้วยปัญญาบา ร, รมีเท่านั้น อริยสันตินิรโมชนะสูตรกล่าวว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญด้วยบารมีใดเล่าที่จะทำให้โพธิสัตว์ทั้งหลายเข้าใจแจ้งชัดถึงความไร้ซึ่งแก่นแท้แห่งความเป็นตัวตนของสรรพสิ่งได้อวโลกิเตสวนมันจะถูกเข้าใจแจ้งชัดได้ด้วยปัญญาบารมี โลกุตระปัญญาหรือปัญญาอันเป็นเครื่องพาข้ามฝั่งเท่านั้นดังนั้นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นดีแล้วจงเจริญปัญญาภาวนาต่อไปการพิจารณาสุญญา นักปฏิบัติควรพิจารณาอย่างแยบคายในลักษณะเช่นนี้ว่าความเป็นบุคคล น, นั้นมิได้เป็นสิ่งที่มีอยู่แยกต่างหากจากธาตุรูปขันนามขันหรืออายตนะและความเป็นบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่เป็นธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของขันหรือสิ่งที่เหลือเพราะทั้งขันและสิ่งที่เหลือ ล้วนเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นจากสิ่งอื่นออันหลากหลายและทั้งหมดล้วนไม่เที่ยงแท้ถาวรบางคนหลงคิดว่าความเป็นบุคคลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งอันมั่นคงถาวรที่เป็นเอกเทศแต่ในความเป็นจริงแล้วความเป็นบุคคลมิใช่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะโดยความเป็นหนึ่งหรือหลากหลายเพราะมันไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นตัวตนอันมั่นคงถาวรดังนั้นความเห็นว่าฉันและของฉันในแบบโลกโลกนั้นล้วนคือความหลงทั้งสิ้นการภาวนาในเรื่องความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนของธรรม หรือปรากฏการทั้งหลายนั้นกระทำได้ดังนี้ธรรมทั้งหลายล้วนรวมอยู่ในขันท่าอายตนะส2องและธาตุสิทั้งสิ้นซึ่งรูปขันอันเป็นแหล่งแห่งการรับรู้และธาตุทั้งหลายโดยปรมัต a t แล้วมันไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ได้เกิดไปจากจิต และเมื่อแบ่งแยกมันออกเป็นอนูเล็กๆแล้วพิจารณาดูธรรมชาติของอนูเหล่านั้นมันย่อมไม่พบแก่นสารแห่งความเป็นตัวตนใดๆเลยโดยปรมาัตน์แล้วจิตเองก็ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงจิตที่เข้าใจผิดในธรรมชาติของรูปและนามและปรากฏในหลากหลายรูปแบบจะเป็นสิ่งจริงได้อย่างไร เช่นเดียวกับความมีอยู่ของรูปและนามล้วนคือความหลงจิตอันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่โดยแยกจากรูปและนามซึ่งล้วนเกิดจากความหลงมันเองก็เป็นผลของความหลงเช่นกันเช่นเดียวกับรูปและนามต่างปรากฏขึ้นในหลากหลายรูปแบบและความเป็นธรรมชาติของมัน ก็ไม่ใช่หนึ่งหรือหลากหลายจิตเองก็ไม่แตกต่างกันความเป็นธรรมชาติของมันก็ไม่ใช่หนึ่งหรือหลากหลายดังนั้นธรรมชาติของจิตจึงเป็นดังเช่นมายาเราควรพิจารณาธรรมชาติของปรากฏการณ์ทั้งหลายในทำนองเดียวกับจิตแล้วถึง จะพบว่าปรากฏการ์ทั้งหลายล้วนเป็นเพียงมายาและด้วยวิธีการเช่นนี้เมื่อพิจารณาธรรมชาติของจิตด้วยปัญญาในแง่โลกุตระแล้วจะไม่พบว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกหรือภายในหรือไม่ใช่ทั้งภายนอกและภายในและไม่สามารถพบจิตในอดีตจิตในอนาคต หรือแม้กระทั่งจิตในปัจจุบันเมื่อจิตเกิดขึ้นมันไม่ได้มาจากที่ใดและเมื่อมันหายไปมันก็ไม่ได้ไปสู่ที่ใดเพราะมันไม่อาจจับต้องได้ไม่อาจบ่งชี้ให้เห็นได้และปราศจากรูปร่างอริยรัตนะกัตตรสูตรกล่าวว่าโอ้กรสปะ เมื่อเธอพยายามค้นหาจิตเธอจะไม่พบมันณนที่ใดเลยสิ่งที่ไม่อาจค้นพบได้ย่อมไม่สามารถเป็นอารมณ์ที่ถูกรับรู้ได้และสิ่งที่ไม่สามารถเป็นอารมณ์ให้รับรู้ได้มันย่อมไม่ได้มีอยู่จริงทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยการวิเคราะห์เช่นนี้ ย่อมไม่อาจพบจุดเริ่มต้นท่ามกลางและจุดสิ้นสุดอันแท้จริงของจิตได้เนื่องเพราะจิตนั้นปราศจากจุดสิ้นสุดและท่ามกลางปรากฏการทั้งหลายก็ล้วนปราศจากจุดสิ้นสุดและท่ามกลางด้วยเช่นกันและเพราะว่าจิตนั้นปราศจากจุดสิ้นสุดและท่ามกลาง มันจึงไม่อาจพบธรรมชาติแห่งความเป็นตัวตนอันแท้จริงของจิตเช่นนั้นได้และสิ่งที่ถูกรู้แจ้งด้วยจิตเช่นนั้นก็ย่อมเป็นสิ่งว่างเปล่าจากธรรมชาติอันเป็นตัวตนที่แท้จริงเช่นกันสุญญาตาด้วยความแจ้งชัดในธรรมชาติแห่งความว่างเปล่าของจิตธรรมชาติของปรากฏการณ์ทั้งหลายในจิต และธรรมชาติของรูปจึงมิอาจพบได้โดยปรมาติเช่นกันด้วยวิธีการนี้เมื่อบุคคลแจ้งชัดในความไม่มีธรรมชาติอันแท้จริงของปรากฏการณ์ทั้งหลายด้วยปัญญาเขาก็ย่อมอยู่นอกเหนือการปรุงแต่งโดยความเป็นคู่วิกาลปะปรุงแต่งโดยความเป็นคู่ว่ารูปเที่ยงหรือไม่เทียง ว่างเปล่าหรือไม่ว่างเปล่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถูกสร้างขึ้นหรือไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมีอยู่หรือไม่ได้มีอยู่และในทํานองเดียวกันกับรูปเขาย่อมแจ้งชัดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อปรากฏการนั้นไม่ได้มีอยู่ลักษณะอันเป็นคุณสมบัติจำเพาะของมันก็ย่อมไม่ได้มีอยู่แล้วมันจะถูกปรุงแต่งไปโดยความเป็นคู่อีกเช่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงและอื่นๆได้อย่างไรและด้วยวิธีการดังกล่าวนี้หลังจากที่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างแยบคายด้วยปัญญา และเมื่อนักปฏิบัติมีได้หลงยึดมั่นในความมีอยู่อย่างแท้จริงของปรากฏการ์ทั้งหลายโดยความเป็นปรมัติ์เขาย่อมเข้าสู่สมาธิอันนอกเหนือการปรุงแต่งทั้งปวงนิระวิการลปะสมาธิและย่อมแจ้งชัดในความว่างเปล่าจากธรรมชาติแห่งความเป็นตัวตนที่แท้จริงของปรากฏการ์ทั้งหลาย นิสวะภาวะหลังจากที่ได้พิจารณาธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่งด้วยปัญญาอันแยบคายแล้วหากบุคคลมิได้นำมันไปภาวนาให้ปัญญานั้นเจริญงอกงามยิ่งขึ้นแต่นำไปใช้แค่เพียงกำจัดอารมณ์เพื่อทำให้จิตสงบลงเป็นครั้งคราวเท่านั้น เขาย่อมอยังไม่อาจาอิสระจากการปรุงแต่งโดยความเป็นคู่ได้อย่างสิ้นเชิงและย่อมอยังไม่สามารถแจ้งชัดในความว่างเปล่าจากธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่งได้อย่างเต็มที่ก็เนื่องเพราะขาดการพัฒนาปัญญาให้เข้มแข็งดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า ด้วยการพิจารณาอย่างแยบคายและด้วยไฟแห่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในธรรมชาติที่แท้จริงของสรร พ, พสิ่งนักปฏิบัติย่อมจะสามารถเผาผลาญป่ารกชัดแห่งความคิดปรุงแต่งได้ราวกับไฟจากหินเหล็กไฟที่เผาผลาญป่าอริยรัตนเมฆสูตรกล่าวว่า ผู้ชำนาญในการแยกแยะและจัดการกับความหลงของตนจะปฏิบัติด้วยการภาวนาในเรื่องความว่างเปล่าจากตัวตนสุญญาตาเพื่อขจัดความคิดปรุงแต่งทั้งหลายอันเกิดจากความหลงเขาย่อมภาวนาในเรื่องสุญญาตานี้ซ้าแล้วซ้าเล่าจนเกิดความชำนาญ เมื่อเขาพิจารณาความพอใจหรือไม่พอใจและธรรมชาติของมันเขายอมแจ้งชัดในความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนของมันเมื่อเขาพิจารณาตัวจิตเองก็ย่อมแจ้งชัดว่ามันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเช่นกันและเมื่อเขาพิจารณาธรรมชาติของจิตที่พิจารณาอยู่นั้นก็ย่อมแจ้งชัดว่า มันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนอีกเช่นกันการเห็นแจ้งชัดความจริงในลักษณะนี้เรียกว่าอ น, นิมิตะโยคะหรือโยคะแห่งการไรนิมิตหมายใดๆซึ่งการจะเข้าถึงซึ่งโยคะนี้ได้ย่อมต้องผ่านการพิจารณาอย่างแยบคายในธรรมทั้งหลายมาอย่างสมบูรณ์และเชี่ยวชาญ มันได้ถูกอธิบายไว้อย่างชัดแจ้งว่าแค่เพียงการกำจัดอาการต่างๆของจิตให้สงบลงโดยปราศจากการพิจารณาธรรมชาติของสรรพสิ่งด้วยปัญญาแล้วมันย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าสู่การภาวนาอันบริสุทธิ์ที่นอกเหนือความคิดปรุงแต่งได้เนวาวก a บบาอ n นนันคอนเซปชวลเมดิเทชัน ดังนั้นสมาธิที่แท้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการพินิจพิจารณาอย่างแยบคายในธรรมชาติของสรรพสิ่งเช่นรูปนามด้วยปัญญาซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการกำหนดลงไปที่รูปนามจนตั้งมัน่นหรือแค่เพียงท่านั่งเท่านั้นและสมาธิที่แท้จริงก็ไม่ใช่กระทำด้วยการพยายาม ทรงอยู่ในระหว่างโลกนี้และโลกที่เหนือกว่าเพราะจะไม่อาจรับรู้รูปนามได้ดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่าสมาธิอันไร้การทรงอยู่ (Non-Abiding Meditation) ซึ่งผู้ปฏิบัติได้เช่นนั้นชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติผู้มีปัญญาเลิศ เนื่องเพราะการพิจารณาอย่างแยบคายในธรรมชาติของความเป็นตัวตนของสรรพสิ่งด้วยปัญญาเขาย่อมไม่พบตัวตนอันใดเลยเหมือนกับที่มีกล่าวไว้ในพระสูตรมากมายเช่นคคณะคันชสูตรรัตนะจูทรสูตรและอื่นๆหมายเหตุ พลังที่เกิดขึ้นในการพัฒนามีสามขั้นคือสัมมาฌานวิโมกคะปัญญาเพื่อการหลุดพ้นก็มีสามขั้นคือสุญญาตาอานิมิตตและอัปปะนิหิตตะการแก้ไขอุปสรรค ด้วยวิธีการเช่นนี้เมื่อเธอแจ้งชัดในความจริงแท้แห่งความไม่มีตัวตนของบุคคลและปรากฏการทั้งหลายและอยู่นอกเหนือความจำเป็นที่จะต้องสังเกตและวิเคราะห์สิ่งใดอีกเนื่องเพราะเธอแจ้งประจักษ์ชัดว่ามันไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริงและเธอปราศจากความเห็นอันขัดแย้งหรือการโต้แย้งใดๆ เธอควรดำรงอยู่ในการภาวนาถึงความจริงเช่นนั้นด้วยความสงบเย็นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยจิตที่ไม่กวัดแกงหวันไหวและในระหว่างนั้นหากจิตหวันไหวแม้เพียงเล็กน้อยไปกับอารมณ์ภายนอกที่เคยติดใจยินดีราคะเธอควรรู้เท่าทัน และละวางมันอย่างรวดเร็วด้วยความแจ้งชัดในโทษภัยของมันเช่นนั้นเธอย่อมคืนสู่จิตแห่งความเป็นเช่นนั้นเองและหากจิตไม่ใส่ใจหดหูไม่ตื่นตัวเธอควรจะระลึกถึงคุณแห่งสมาธิและภาวนาด้วยความตั้งใจยินดีการไม่ใส่ใจนี้ ย่อมสามารถละวางได้ด้วยการพิจารณาเห็นโทษภัยของมันเช่นกันหากการทำงานของจิตไม่กระจ่างชัดหรือเริ่มทื่อทึบหรืออย่าเมื่อมีความโน้มเอียงต่อความทื่อทึบของจิตเนื่องเพราะอำนาจของความง่วงเหงาเสื่องซึมเช่นเดิมเธอควรรีบขจัดความทื่อทึบเช่นนั้น ด้วยการนึกถึงสิ่งที่น่ายินดีอย่างที่สุดจากนั้นเธอควรตั้งมั่นอยู่บนความเป็นเช่นนั้นเองให้แน่วแ น, วน่เมื่อเห็นว่าจิตกวัดแกงหรือว้าวุ่นไปกับเรื่องในอดีตแม้เป็นเรื่องที่น่ายินดีสนุกสนานก็ตามก็ให <time> ้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยทำให้จิตสงบลงได้เมื่อจิตสงบแล้วให้เธอคงความตั้งมั่นอยู่บนความว่างเปล่าจากตัวตนเช่นนั้นเองของสรพรพสิ่งเช่นเดิมโดยไม่ต้องกดดันบีบบังคับ รักษาสมดุลระหว่างสมถะและวิปัสนาเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นด้วยตัวมันเองโดยปราศ จ, จากความทื่อทึบเสื่องซึมหรือวอกแวกหวั่นไหวเธอควรปล่อยให้มันเป็นไปโดยธรรมชาติและผ่อนคลายความพยายามลงเพราะหากยังคงใช้ความพยายามอยู่ ทั้งๆ ท, ที่จิตดำรงอยู่บนความสงบตั้งมั่นได้แล้วจิตก็จะเกิดความหวั่นไหวอีกแต่หากเธอไม่ใช้ความพยายามแก้ไขอะไรเลยเวลาที่จิตทื่อทึบมันก็จะกลายเป็นเหมือนคนตาบอดเนื่องเพราะความทื่อทึบที่มากขึ้นนั้นซึ่งจะไม่อาจเกิดปัญญาใดๆดังนั้นเมื่อจิตทื่อทึบ ก็ให้พยายามแก้ไขเมื่อหมั่นตั้งมั่นได้แนบแน่นแล้วก็ให้ผ่อนคลายความพยายามลงเมื่อเจริญวิปัสสนาภาวนาการใช้ปัญญาที่มากเกินไปอาจเกิดขึ้นและความสงบสมถะของจิตก็จะอ่อนกำลังลง จิตจะกวัดแกว่งราวกับตะเกียงเนยที่ถูกลมซึ่งเธอก็จะไม่อาจาแจ้งชัดในความว่างจากตัวตนของสรรพสิ่งได้เมื่อเป็นเช่นนั้นให้เธอหวนกลับมาเจริญสมถภาวนาอีกจนจิตสงบแล้วค่อยเจริญวิปัสนาภาวนาต่อไปเมื่อทั้งสมถะและวิปัสนาสมดุล ให้คงอยู่เช่นนั้นให้นานที่สุดโดยไม่ต้องใส่ความพยายามเข้าไปปราบที่ยังไม่มีความไม่สบายกายและความวันไหวของจิตแต่หากมีความไม่สบายกายหรือใจเกิดขึ้นจงมองให้เห็นว่าปรากฏการ์ทั้งหลายนั้นเป็นดั่งเช่นมายาพยับแดดความฝันภาพพระจันทร์ในน้ำ หรือภาพลวงตาและจงระลึกต่อไปว่าสรรพสัพตว์ทั้งหลายล้วนต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากแห่งสังสารวัตรก็เนื่องเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่เข้าใจแจ้งชัดในธรรมอันลึกซึ้งนี้ดังนั้นเราจำต้องภาคเพียรพยายามให้มากเพื่อการรู้แจ้งหลุดพ้นอันสูงสุด เพื่อช่วยพวกเขาให้เข้าใจในธรรมเหล่านี้ให้ได้ซึ่งการพิจารณาเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างพลังของมหาการุณาจิตและโพทิจิตให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นหลังจากนั้นให้พักผ่อนจิตสักชั่วครู่แล้วจึงเริ่มภาวนาใหม่โดยให้จิตสงบตั้งมั่น อยู่บนความว่างเปล่าจากตัวตนของธรรมปรากฏการทั้งปวงและหากจิตล้าหมดกำลังก็ให้ผ่อนคลายจิตอีกเช่นเดิม น, นี่คือวิถีทางดำเนินที่สมถะและวิปัสสนาประสานรวมกันอันมีทั้งการอาศัยความคิดปรุงแต่งและนอกเหนือความคิดปรุงแต่ง ด้วยวิธีการนี้นักปฏิบัติควรนั่งภาวนาให้จิตตั้งมั่นอยู่บนธรรมชาติแห่งความว่างจากความเป็นตัวตนเช่นนั้นเองประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วยามสี่ชั่วโมงตราบที่ร่างกายยังคงสบายอยู่ได้ซึ่งนี่คือการภาวนาด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่บนธรรมอันยิ่ง ในแบบที่ได้สอนไว้ในลังกาวตานสูจากนั้นหากเธอต้องการจะออกจากสมาธิในขณะที่เธอนั่งขัดสมาธิอยู่นั้นจงคิดในใจดังนี้แม้ว่าโดยปรมัติแล้วทำทั้งหลายจะปราศจากตัวตน แต่มันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยสมมุติหากไม่ใช่เช่นนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลและสิ่งอื่นๆจะมีอยู่ได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นโดยสมมุติแต่โดยปรมัติ์แล้วมันปราศจากธรรมชาติแห่งความเป็นตัวตนใดๆ สัพสัตที่ยังมีความคิดแบบเด็กๆย่อมปรุงแต่งทรรมทั้งหลายจนเกินความเป็นจริงหลงคิดว่ามันมีธรรมชาติที่แท้จริงในขณะที่มันไม่ได้มีซึ่งนั่นล้วนทำให้จิตของพวกเขาสับสนและต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรเป็นเวลายาวนานด้วยเหตุผลนี้ ฉันจะต้องภาคเพียรพยายามอย่างไม่ท้อถอยที่จะให้บรรลุถึงซึ่งสัพพัญญุตาญาณโดยการสร้างสมบุญกุศลและปัญญาบารมีอันยิ่งเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นให้รู้แจ้งในความจริงของสรรพสิ่งแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นจากการนั่งขัดสมาธิและกราบบูชาพระพุทธเจ้า และเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในทิศทั้งสิบและสวดบทสรรเสริญพระรัตนตรยัยและอื่นๆ